แต่ผมมันไม่งอกขึ้นอีกนี่ยผมเป็พุทธเจ้าถ้าหากนักวิทยศ า, ายศาสตร์เขาฟังพุ่นนักวิทยาศาสตร์เขาฟังเขาจะเชียวน่นอะไรวิเศษขนาดนั้นนะดันั้นคือภาษาลาหัดว่าพุทธเจ้าหรือทุกคนนะ่ะคนที่มีคำ ว, ว่าพูดท่านเนี่ยถ้ า, าตัดตัวความคิดความปรุงแต่งออกได้ไม่ให้มันงอกม่ให้มันปรุงแต่งมันจะเหลือสององค์ประกอคือเหลือสองอย่างคืออะไร รูกกับน้ำานะไม่ว่าผูได้เจ้าทุกคนนั่นแตัดความคิดปรุงแต่งเราก็จะเหลือแตู่กกับน้ำนั้นไม่เหลือมากกว่านั้นหรอกคือเหลือผมสองอผมอผ ม, ม่ยาวกว่านั้นสองอุลีฟังเทพองค์ท่านดีรเีครับฟั ง, ง ไ, ไปอรอบฟังไอันว่าปัญหาทุกเฉยไปยะนะนนแต่คนที่ยังไม่ได้ฟังก็หลายคนนะ เราจะเห็นว่านี่ภาษารหัสนี่เอามาไปตีออกมันเอามาที่มั่นใจ อ, อีกคําหนึ่งที่นั่นพูดว่าเอาเชื่อกมาผูกหลักสองหลักก็ด้ดยกันแล้วเอามีมาตัดตรงกลางแล้วก็จับมาต่อกันแล้วิติันี่ไม่ติด ห, หมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันไปมักจะสยบซไปสองหลักคือหลักอะไรไอดีตในอนาคตใช่ไหม ถ้าไม่มีอดีตอนาคตจิตมันคิดไม่ได้ที่มันคิดต้องมีสัญญาเอาอดีตอนาคตมาเปรียบเทียบแล้วมันถึงเป็นความคิดขึ้นมาถ้าจิตมาอยู่ปัจจุบันปั๊บเนี่ยก็เหมือนกัมาตัดเชือกมันโยงกันไม่ติดไอ้โดยอวิชาตันหาวัานมันโยงอดีตอนาคตเข้าด้วยกันพอมีสติสมาธิปัญญาปั๊บก็ตัดตรงกลางปั๊บเสร็จแล้วดึงอดีตอนาคตมาต่อมันติดจิตมันอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันสมัมผัสของจิตอดีตนาคตเป็นจินตนาการขึ้นมาแล้วลึกขึ้นลึกขึ้นมาเป็นสัญญาเนี่ยนี่ก็ว่าท่านก็เน้นตรงนี้บ่อยๆให้มาอยู่ตรงนี้มาตัดตรงนี้ตัดเอาจิตมาอยู่ปัจจุบันมันตัดอดีตนาคตของมันเองแล้วถ้าเรามาอยู่กับปัจจุบันโดยไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญามันจะอยู่ไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่มีที่อยู่จิตมันมีอารมณ์เป็นที่อยู่ใช่ไหม ถ้าไม่มีอารมณ์ปัจจุบันไม่อยู่เั้าไปอยู่อารมณ์อดีตอนาคตเพราะมันคุ้น ม, มาอย่างนั้นไม่รู้กี่แต่ว่ากี่ภพ ก, กี่ชาติเองแกโยมที่เป็นอะไรสมาธิที่ก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าเราจะเป็นน้ำอ้า ง, งว่าหลายภพหลายชาติเขาค่อยภพชาติที่พูดถึงหมายถึงว่าทุกวันที่เราคิดขึ้นมา <c oughs> เป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งเพราะนั้นความ อ, าอ้างว่าพบชาติมันหมายถึงว่าก่อนเกิดหลังตาย ทุกๆวันนี่ยมันเป็นพวกปัญชาที่เราคิดขึ้นแต่ละครั้งเราใครควรเราเนี่ยเรายึดเราติดในเป็นพวกชาติ่านี้แหะแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเรานับมันได้ไหมพวกชาติอย่าว่าจะเกิดยังดูแม้แต่เมื่อวานยังดูวันนี้ยังทำไม่ทั่วนะเนี่ยคิดเรื่องอะไรบ้างนะฮะก็เรียกว่าเป็นผสมไขยอ่ะเห็นไหม น, นั่นอันนี้คือวิธีใช้ภาษารหัสของท่านนี่คือใช้ภาษาที่เป็นรูปธรรมใช้บ่อยๆ ก็ที่ว่ า, าพุทธประวัติกับสิทธาประวัติเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสิทธาประวัติก็คื อ, อประวัตของคนทั่วไปที่เอามาพูดตามประวัติศาสตร์แต่พระพุทธประวัตินี่เป็นภาษารหัสอีกแลเช่นว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาเดินได้7จ็ดเก้อันนั้นพุทธเจ้าประสูตินะไม่ใช่เจ้าชายสิทธาประสูตินะเจ้าชายสิทธาประสูติเกิดในบ้านในเลนเกิดจกท้องพอท้องแม่เกิดมาล่องอวนแววเหมือนกับเรานี่แหละ แต่ว่าพุทธะประสูติไม่ใช่อย่างนั้นพุทธะประสูติพระมันดาก็ยืนอยู่ด้วยนะไม่ใช่นอนเมืนผู้หญิงทั่วไปนะหมายว่าคนที่จะมีภาวะพุทธะในจิตในใจตื่นเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนงม ง, งายไม่ใช่คนดับไหลเป็นคนตื่นยืนน ะ, ะเหมือนกับบันนางสีมหาเมยายืนอพอประสูติลงมาแล้ว ไม่ได้เยวเแวนะลองเป็นคาหาหังมหัสมิโลกเกษตรโถอะไรเนี่ยเราเป็นพี่ของโลกนะแล้วก็แถมเดินได้ด้วยนะนี่พระพุทธเจ้าเกิดเดินได้ที่เก้าได้ได้เจ็ดเก้าแล้วเจ็ดและเก้าเป็นไงก็งงมีตกบัวหุดขึ้นมารับโอ้อลังการอะไรขนาดนั้นนะประหลังไม่เชื่อนี่คือภาษาปิศนาภาษานั่น ว่าคนที่มีเกิดภาวะพุทธในใจเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองได้ออกมาจากความคิดออกมาจากภพจากชาติได้ออกมาแล้วด้วยการดําเนินตามทำเจ็ประการถ้าไม่ไดําเนินทําไม่ดําเนินตา ม, ม, ม, ตามทำเจ็ประการนี่จะออกมาไม่ได้เจ็ลกรมนันคือแรงเก้าที่หนึ่งแต่ในภาษาตำราเขาอกพระพุทธองค์จะเผยแผ่พุทธศาสนาได้เจ็ดแคว้นใช่ไหม ตามประวัตินั้นแควนนี้ไปจนะเจแควนเนาะอันนั้นในแง่ของสมมุติบัญญัติก็ใช้ได้เป็นประวัติศาสตร์แต่แง่ปรมตัตาบัญญัติก็คือการที่เราก้าวที่หนึ่งที่เราองค์ของขอรรถสัพพชงใช่ไหมคนที่มีพุทธภาวะเนี่ยต้องเดินก้าสติเมื่อมีสติที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติแล้วมันต้องเกิดธรรมวิจยะแต่ถ้ามันไม่เกิดธรรมวิจยะขึ้น แสดงว่าสติที่จะเดินมาไม่ใช่สมมาสติถ้าเป็นสัมมาสติแล้ะกดเข้ามนี่ต้องเกิดธรรมวิจยะก็คือเรามาดูตัวเองทุกวันทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองได้หละการที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองทุกอย่างนี่แหละ <c oughs> เราจะคิดหรือไม่คิดก็ตามเรียกว่าธรรมวิจยะแล้วดูไปดูไปดูมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ในตัวเองแล้วจิตมันจะออกไปรับอดีต น, นนาะพจนมันก็น้อยใช่ไหม แล้วดูไปดูมาถ้าดูเป็นมันเกิดอะไรเกิดสนุกขึ้นมาแล้เกิดสนุกมันก็ขยันนะใช่ไหมก็เป็นวิริยาสัมโพชฌงค์ละขยันทําสนุกทำแล้วเพลินทําขยันทําสนุกทําไปทำมาอยู่ปัจจุบันนั้นเขานั้นเข้ า, ขามันลืมมาดีในจะิตจิตเป็นไงมันก็เบาก็เกิดปิติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมเบาบางคนอาจจะสู้ชาผู้ฟ้าบางคนน้ำหูน้ําตาไหลเกิดโล่งโปร่งเบาสว่างสวยขึ้นมาในจิตในใจ พอภาวะนี้สงบลงไปเย็นอิม่มเป็นอะไรประะัิสติสัพพชุลละใช่ไหมเพราะอิออ่มเย็นสนิและจิตสงบ ม, มันก็สูงเป็นสมาธิสัพพชุลตั้งมัน่นเรอยู่ในปัจจุบันไม่ซึมไปอดีตอ น, นาคตละพอจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั้นเขั่้ า, า <c oughs> มันก็ปล่อยวาง <c oughs> ปล่อยวางได้ง่ายอะไรมันก็ะทบก็ไม่ไปสนใจกับมาอปัจจุบัน จิตก็วางได้ไงก็จะเป็นอะไรอปุปเเกขาสัมพุชงเนี่ยมันก็เป็นองค์ธรรมที่เราปฏิบัติกันอยู่ถ้ากสัมผัสได้ด้วยนะไม่ต้องไปท่องตามตำราด้วยมันเป็นภาวะที่เกิดโดยองค์ธรรมของมันนั่นี่คือเจ็ดก้าโพธิจิตก็เกิดพุทธภาวะก็เกิดเห็นไหมซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปสัมผัสสาภาวะที่เกิดขึ้นตัวเองซะก่อนนะเราท่องสังมพุชฌงได้อย่างดีเรา เข้าใจสัมพุชฌงในแง่ของปริญญาได้ยินแต่ว่ามันไม่เป็นแบบมันเป็นความจําเสกสัญญาไม่ใช่สัมพุชฌงที่เป็นองค์ธรรมแต่สัมู้ชฌงที่เป็นองค์ธรรมมันต้องเกิดขึ้นในตัวเองเสียก่อนแล้วบางทีจับไปเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยถ้าเราอ่านแผนที่นะจําได้หมดแต่พอให้เราไปเดินทางจริงๆเนี่ยบางทีเดินไม่ถูก <c oughs> นะเดินไม่ถูกอย่างสมมติว่าบ้านเราเนี่ย เมืองไทยเมืองเรามีแผนที่มีการติดฟ้าอยู่เยะแย่ๆที่นี้ให้มามาิกาเองดูได้เป็นไงตามแผนที่นั่นนึงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวอยู่ที่ไหน Visa อยู่ที่ไหนพาสปอร์ตอยู่ที่ไหนจะขึ้นเครื่องที่ไหนติดจอดมันมันไม่มีแผนที่รายละเอียดเหล่านั้นใช่ไหมรายละเอียดบนกระดาษก็คือมันก็ขีดชินว่าตรงนี้รัดอันนี้ข่ามตรงนี้ทวีดวันนี้ทะเลอันนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปอย่างไงจะเริ่มต้นอย่างไงแผนที่ไม่ได้บอก น, นั่นเปของจริงนะกว่าจะดูละอุลไปได้ง่ายนึกก็ไปถึงแล้วหาท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าไปจริงโอ้โหเดินเรื่องได้3ปีหปีบางคนยังไม่ได้บางคนไปอยู่ข่าวที่มุมไทยตั้งหลายปีมันได้มานั้นที่อ่านแผนที่เพราะฉะนั้นเองแผนที่ของจริงคนละเรื่องนะดังนั้นภาษาที่เป็นพุทธรประวัติจึงเป็นภาษ า, หารหัสนกะ็เกิดมาแล้วเดินได้เจเก้า <c oughs> แล้วก็เป็นพระวาจาว่าเราเป็นพี่ของโลกเราเป็นไก่ตัวแรกของโลกที่ออกมาจากกระป๋อไข่ได้ก็หมายความว่าท่านเป็นคนแรกของโลกรู้ว่าสิ่งที่ห่อหุ้มเรานี่คื อ, อวิชาแล้วเราออกมาได้รู้ได้แนวออกเนี่ยก็ไปเห็นไปเห็นตัวจิตที่มันหลงมันไปยังไงมันรู้มันไปยังไงเมื่อก่อนไม่รู้ อยู่ในความคิดอย่างเดียวพอออกมาจากความคิดได้อ๋อภาวะเข้าไปดูคิดจิตมันเป็นอย่างนี้ภาวะออกมาจากความคิดได้เป็นอย่างนี้มันเกิดความมั่นใจยืนยันด้วยเองได้แต่ถ้าคนมาไม่มาเจริญให้ถูกต้องตามหลักสัมโพชงเน่ยอยู่ในความคิดมันก็ไม่รู้อยู่ในความคิดออกมาจากความคิดก็ไม่รู้ว่าออกมาจากความคิดนั่นเป็นโมหะเป็นอวิชชาแต่ทีนี้พอออกมาจากกระป๋ะออกจากวิชาได้มันก็รู้เลยอ๋อออกมาจากความคิดจิตมันเบาสบายอยู่ในความคิดจิตมันหนัก จิตมันบดมันบัง <c oughs> มันหลวงพ่เอเทียนเสกอารมณเข้าไปในห้องวิชาบังรอบด้านพอหาประตูออกมันได้ออกมาจากความหลงความไม่รู้ออกาจากวิชาเป็นอย่างนี้โลกข้างนอกความความมหาศาลแต่เราก็คิดว่าเราอยู่ในห้องก็ดูว่าโลกของเราเต็มที่อยู่แค่นั้นแหละพอออกมาได้ออก ม, าากมันไม่ใช่เราคนทุกวันนี่ก็เหมือนกันเราไปติดภาวะอั ต, ตราตัวตรเราเป็นั่นเราไปนี้รู้แค่นี้แหละเราไม่ยอมที่จะไปรู้อ่า สิ่งที่อีกมิตินึ่ที่มาอยู่นอกเหนืออย่างนี้มิติคือ <c oughs> โ, ล โ, ลโลกอีกโลกหนึ่งลุงถ้งจิตวิญญาณเนี่ยมันกว้างขวางมหาสา <c oughs> ลดังนั้นเองเมื่อพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านอยู่ไม่ได้นี่ต้องการที่จะบอกเรื่องนี้หาคนบอกนะนึกถ <c oughs> ึงครบาอาจารย์เดาท่านตายก็ใ <c oughs> ช่ไหมหลวงพ่อเทียนบอกว่าท่านไม่ได้ตายหรอกภาษา เพราะอะไรเพราะมันรับไม่ได้ทฤษฎีใหม่นี่รับไม่ได้เท่ากับตายจากําว่าอันนี้นั่นแหละเพราะไปติดพบติดฌานติดอะไรล่ะิดพรมนะติดสุนติจิตว่างขั้นระดับสูงเป็นมหาตมันเป็นปรมาตมันไป้การจมาเอาพุทธภาวะที่จะนำไปบอกท่านกูรักไม่ได้หรอกพ่านพูดย่อคุกขันโมนเนี่ยโอ้ท่านตายไปใช่ไหมตายจากมรจากปุณณ์ใช่เอาไม่ได้ไปติดสงบ ติดพรมคันสูงก็ใครเนาะจะรับได้อีกเอานึกถึงเพื่อนอ๋อบันเจรวิคีทั้งห้าคงจะมีศรัทธาหลงเหลืออยู่บ้างไปพูดคงจะรู้เรื่องแหละนั่นก็หาทางไปอาไปตอนถึงกางทางมีอุปกรารชีวคนตามหามพราะพุทธเจ้าใช่ไหมว่าโอ้พระพุทธเจ้ า, จาเป็นพระาราหันี่เข า, าเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่ไหนเนาะตามหาม ยรีไ้เดินสวนทางกับสมณะโฟดามะสก็ดูสัสงเกต เ, กเดิน ส, ส, สงบสงียมเรียบร้อยหน้าตาโปองสใยก็ถามท่านมาจากสํานักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครรู้ทําเรื่องอะไรพเราไม่ได้มาจากสํานักไหนเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครอ I am เอาไว้เกณน์วัน <laughs> เราเป็นสียามภูถ้าจะว่าเราเป็นพุทธะนีะ่ยนะโอ้นั้นเหลย พุทธะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เชียรอกทำไมมาเดินดินเดินลอยเงี้ยพต้องแสางามอยู่ในฝูงชนมหาชนเป็นหมื่นแสนแสนมาเดินท่องๆอย่างนี้คงไม่ใช่หรอกเรีเดืบลิงผิดตานี้ไปเลยแสวงามพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าในคอนเซปต์ในความคิดของเขามันอีกแบบหนึ่งเราทุกวันกันนะแสวงพระอริยบุคคลแสวงพระพระลาน ท, ทั้งที่เดินทางกระทบไหลพหันหานทุกวันตามสนุนดูนแลมันจะมีนะแต่ว่าเราสแสวงหาพันหันที่ที่มีในคอนเซปต์ของเราในความคิดของเราไม่มีทางเจอหรอกนะดังนั้นเหมือนกับอุปกะชีวกนะ็เห็นเจอแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดไว้จึงไม่ใชนะ่ดังนั้นเองเราก็จึงเห็นว่าในสมัยนั้นคนสแสวงหาเรื่องนี้กันเยอะแล้ววอาเราเป็นสยามภู เรา a อาแอมเอากินวันแค่นี้แหละก็รวมรวมทั้งหมดคำสอนทั้งหมดเข้าอยู่กับเอาไว้นันจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปึกบานดังนั้ น, น, นพุทธประวัติทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาปรมาติษฐสภ า, าวะเอาไว้หนนั้นทุกขัน้นทุกตอนเลยเราจะมองใ น, นแง่ของปุกราธิฐานก็ได้แก่ปฏิหารบารามีอะไรก็จะว่าไป มองในแง่ของธรรมะที่ฐานก็คือปริมัตฐธรรมนั่นเองที่แฝงฝังอยู่ในนั้นทุกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่้อยถาดเนาะพวกพรามที่เราว่าในวันก่อนนะระอยถาดปูอาส น, นะตลอดถึงต่อสู้กับมารกะจนมาในต่างเป็นภาษาปรมัติทั้งนั้นถ้าเรามองในภาษาของสมุแล้วก็เออบาลมีพุทธิจาท่านบำเพ็ญบาลมีมา หลายสมัยแสงกลับอาจจะเป็นไปได้ก็ว่าไปเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาขคนที่ยังไม่มีปัญญาก็ต้องให้เขาเกิดศรัทธาเกิดความมหนนาศย์ในศาสนาของตัวเองใช่ไหมครับนนแต่สําหรับคนที่ฝึกฝนมีปัญญามาแล้วก็พยายามแกะไอหาความหมายความหมายความว่าอย่างไรนะคนที่มีศรัทธายังไม่มีปัญญาก็เชื่ออย่างนั้นไปก่อนแล้ววันหนึ่งด้วยศรัทธาเขาเข้มแข็งเขา ม, ม, ม, ม, ม, มีโอกาสได้มาปฏิบัติมิปัญนาหูตาเขาเปิดเขาก็จะ เข้าใจนะว่าตัวที่เป็นประวัติศาสตรคือเปลือกก็ต้องมีตัวที่เป็นปณิมัติธรรมคือเนื้อต้องมีความเป็นธรรมชาติผลไม้ไม่จะออกมาแต่เปลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไมาแต่เนื้ออย่างเดียวมันก็อาศัยกันนะศาสนาก็กำลังมีทั้งปุกรามิฐานและธรรมาธิฐานอาศัยซึ่งกันและกันคนที่ยังไม่กินเนื้อยังไม่ได้กินเปลือกไว้ก่อน กินเปลือกมันมาอร่อยเดี๋ยวมันไปแสดงฐานเนืเองคนที่มีศรัทธาเชื่อหลวงธรรมเนี่ยพอไปนีอีทธิปฏิหารที่ดเด็ดยังไม่มีปัญญาก็ให้เชื่อพวกนั้นไปนก่อนวันใดวันหนึ่งไปเชื่อแลวนัน้นมันเกิดปัญญาขึ้นว่าสิ่งเดี๋ยนี้ก็เสื่อมได้นะไม่ใช่ของคนคนเท้าว่อนก็เริ่มเสดงฐานปัญญามาพบเนื้อทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นในอีซีหท่านก็จึงเรียงลําดับศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาตามลําดับตาม การพัฒนาการของคนนะทีนี้ในเรื่องของอารมณ์ที่เราเก็บ ว, วันนี้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนไหนบ้างนะตอนที่พระองค์ได้จัดถึงว่าละทางฉะนั้นจะกล่าวไปก่อนว่าทางมันมีสาทางทางที่ทำให้ลำบากกับทางที่ทำให้มันหย่อนยานเกินไปน่ ไม่ไม่ควรเดินแต่ควรจะเดินทางสายกลางทีนี้เราก็มาหาทางสายกลางทางสายกลางที่วุฒิยาตัดไว้นั้นเป็นมาตรฐานของท่านแต่ถ้าเรามาหาเนี่ยเราจะเอามาตรฐานของท่านมาใส่เราเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องหามาตรฐานของเรานะเช่นว่าง่ายๆบางคนทานข้าวอิ่มๆเนี่ยสามจานพอดีบางคนนี่ อิ่ๆแค่จานเดียวก็อละบางคนอิ่มแค่สองจานบางคนก็แค่ครึ่งจานก็พอละอยเงี้ยมันอิ่มของแต่ละคนไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่เรารู้ได้ไงว่ามันพอดีพอดีของคนนี้มันอาจจะเป็นหย่อนของคนนั้นพอดีของคนนี้มันอาจจะเป็นตึงกับคนนั้นเราจะไปเอามาตรฐานของนั้นมาวัดตรงไม่ได้เราต้องหาพอดีของเราก็คือมันทําให้เรา รู้สึกสบายนั่นแหละนะคว่าสบายนี่หมายความไม่ได้หย่อนไม่ได้ตึงนะสบายใจมันสบายทำแล้วมันสบายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสบายนี้นี่มันหมามันหมความสุขนะมันระหว่าง Content ์กับแฮปปี้เน็มันคุณจะต่างกันนะมิอะกันเขาคงไม่บรรยาตาศสัมมาคือมันเป็นสบายเวลาเขาด่าก็อ๋อสบาย เวลาเขาวิพาควิจารณ์ก็สบายนี่นียนี่เขาหม่ว่าเราเจอ เ, เจอความพอดีของเราแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาชมโอ้สบายแต่ว่าเขามาดา่าแล้วหน้าหงิกเลยอันนี้แสดงว่าแสดงไม่เจอความสบายแท้ๆเลยนใครยังรับวิพาควิจารณ์รับการด่ากา ร, ด, าการดินทามัได้ใจยังไม่สบายอยู่อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่เจอตัวสบายถ้าโดยตัวสบายที่แท้จริงหมาเข้ามาในส่วนที่เป็น ค่อยสิดก็รับได้ในะส่วนที่เป็นน e g a t i ก็รับได้ในส่วนที่เป็นภาวะที่บวกก็รับได้ภาวะที่เป็นลบ ก, ก็รับได้ในวัฏฏายทางสายกลางแต่ว่าท่านใช้คําว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันความเป็นจริงหลว ง, งพระชาท่านพูดถึงคร อ, อบครัวที่สองสามีภรรยาดีว่าสามี แฟนปัญญานี่ไปจ่ายตลาดกลับมาก็น่าบึ้งน่าดึงน่าเหงาหน้างอ่อสามีก็ว่าเออทำไมไปมีปัญหาอะไรมันไม่รู้มันโกรธก็มาแต่ฉันนะยันไปไม่รู้จักมันด่าฉันเอาด่าฉันเอามันคนอื่นไม่ด่ามาด่าฉันเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้จักกันมันด่ากันแต่งโอ้ยโกรธใหญม ถามว่าใครเนะี่ยอคนนั้นที่ตลาดอ๋อสามีมันเคยโดนมาแล้วใช่ไหมโอ้ยคนนั้นเน่ยไอ้นั่นมันดาโดโคนทุกคนมันคนสติไม่ดีมันโกรธเขาทำไมทีนี้พออยู่วันอุพัญญาก็ไปจัดรายกานั้นก็ต า, าด่าทีนี้เฉยเลยยิ้มสบายมากเลยไม่โกรธเหมือนวันก่อนนะ้วเพราะอะไรเพราะมันรู้ความจริงใช่ไหมอตอนแรกที่มันเจอไม่รู้ความจริงพอรู้ความจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เอง คนที่มาว่าเราเนี่ยเขาขาดสติเขาขาดปัญญาแล้วพึ่โกรธเขาทําไมอันนโอโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะสามีไม่น่าจะว่าอย่างนี้เลยนะปัญญาไม่ว่ า, าถ้าคนที่เขามีสติดีเขาก็ไม่ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเนื่องาคนเขาขาดสติมาว่าเรามาดา่าเรามานินทาเรามาวิพากษ์วิจารเราเราก็ต้องหัวเราะได้สบายใจได้แต่ที่เรายังหัวเราะไม่ได้ไเราจะขุ่มมัวไปเขาเพ่าะอะไร เพราะเราไม่รู้ความจริงใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงอย่างนี้เรคนที่เขาทำอะไรไม่ดีกับเราไม่ว่าสามีภรรยาลูกอะไรต่างเนี่ยทำไมด่ดีทำให้เราเจ็บช้ำ น, น้ำใจทำให้เราขุ่นข่องหมองมัวเนี่ยเขาขาดสติเราจะไปโกรธเขาทำไมเราจะไปะเคียดแค้นเขาทำไมเขาสติดีอยู่นะท่านพูดเขาไม่พูดอย่างมีสติทำไมพูดกระโยคอยู่นั่นแหละขาดสติแล้ว ถ้าคนมีสติต้องพูดดีกว่านี้เอคนก็มีสติไม่ใช่คนบ้านะท่านนะถ้าจะพูดอย่างเนี้ีจะจะให้โยมไม่โกรธเขาได้ไงโยมก็บ้าเขาเขาไปอ็นคนหนึ่งเหมือนกันตรงนั้นโนะยมไม่โกรธเขานะว่าต้องสงสารเขาต้องต้องเมตตาเขาเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติเนามันจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเจริญสติไปแล้วบางครั้งเราก็ยังก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน นักปราชท่านจะว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใช่ไหมนะถ้าหากว่าทั้งโกรธทั้งโมโหก็ทั้ง โ, โงโโ่ทั้งบ้านะทีนี้ถ้าว่าเราเร า, เรามีอันนี้อยู่เราก็เช้นในไวเชื่อนี่มันก็ยังมีในเราเราก็ต้องเอาออกไปเรื่อยๆนะเอาออกไปที่วิธีเอาออกทําไงคืออ ย, อย่าให้ใจไปอยู่กับสีนั้นวันๆหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราพอใจไม่พอใจนี่มีเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ของสี่อื่นแหละ ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราไม่พอใจแค่นั่ง น, น, นานๆมันปวดขาเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วใช่ไหมนั่ง น, น, นานๆมั น, ม น, ม น, มนง่วงงึนี่ก็ไม่พอใจแล้วมันไปสัสมความไม่พอใจทีนี้เข้าไปในห้องน้ําเห็นห้องน้ําสกรปรกไปนไงก็ไม่พอใจแล้วเออจะล้างหน้าถือมาเดินชาไปเปิดก๊อกมันมีน้ําไปนไงก็ไม่พอใจนะฮะเออสามีาปัญญาปรุงอาหารมากุนบนโตแล้วไม่ถูกกล่นถูกปา สถานการณ์ที่จะทำให้เราพอใจไม่พอใจมีตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติก็ ร, รู้เราสังสมเหตุของความทุกข์ตลอดเวลาแต่พอมีสติกํา็รู้ปับ๊บ อ, อ๋อมันธรรมดาเป็นอย่างนี้เองแล้วก็กลับมาดูมาให้จิตของเราตื่นความพอใจไม่พอใจมีอะไรก็ว่าไปตามเหตุปัจจัยเหตุของความพอใจไม่พอใจเหตุทั้งราคะโทสะถูกตัดทองเรื่อยเรืืื่จิตมันก็ลมไม่ติดแรงนะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ตีอะไรมันกระทบสิ่งที่ทําให้โกรธมันกระทบปั๊บมันโกรธมันตอบสนองปุ๊บแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตอบสนองทันทีตอบสนองช้าช้าเพราะอะไรเพราะเหตุมันถูกตัดกำลังมันถูกตัดไปเรื่อยๆถูกตัดตอนไหนตอนที่เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ประจำวันที่ทําให้เราไม่พอใจเนี่ยเราไม่ไปตอบสนองมันไปเจอในห้องสวดมันสกงบกก็บรรลุกันเราจะได้ทําความสะอาด ที่วัดในประจันมามาเข้าไปดูห้องน้ํามันไม่สะอาดมันก็ล้างอยู่ตรงนั้นแต่ต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเห็นเอ๊ะทำไมหลวงพ่อล้างห้องน้ํำขนาด น, นี้เลยนะเอาให้สะอาดเลยต้องทําความสะอาดอย่างดีอะไม่ว่าใครจะมาถ่ายมานี่ก็ตามไม่แต่เราต้องการฝึกฝนจิตของเราะนะเพราะฉะนั้นเองก็สถานการณ์ที่เราจะฝึกฝนตัวเองให้ลดเหตุของทุกเนี่ยทําได้แต่ลอดเวลาแต่ประการสําคัญเรามีสติไหมอ่า ถ้าเราขาดสติแล้วก็ยากอ่เพร อ, อะไรเพราะความหลงลืมมันสูงดังนั้นมานั่งปฏิบัติการฆ่าวัน 5, 7วันเนี่ยมันมันเพิ่งเริ่มต้นจริงจริงแล้วก็คือต้องไปทำที่บ้านถ้าหากวเรายังหลงลืมบ่อยๆ ย, ยังเกิดปฏิฆาหรือพอใจไม่พอใจบ่อยๆก็สแสดงว่าสติเรายังไม่มีกําลังแล้วก็ต้องหมัน่นมันนั่งสร้างจังหวะโดยจงกรมวันละสามชั่วโมงห้าชั่งยังไม่ได้แบสักสองชั่วโมง อย่างคุณหมอเทียนเนี่ยรายงานได้มาประจํานะวันนี้ผมนั่งได้ทันชั่วโมงวันนี้เออมาก็อาโมทนานี่ยคนจริงโอเจ้คนจริงเออเอาจริงแต่ว่าเอาจริงหรือเปล่าเน้ไม่เห็นเลยนะหลังต้องย่อมไปดูที่บ้านนะแต่คงจะเอาจริงฟังแล้วสุด้อารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวดีนะขนาดเป็นเริ่มต้นที่เฟสโนไม่กี่วันนะกลับมาบ้านเอารายงานการปฏิบัติอย่างนี้เลย พัฒนาอานุโมทนาแล้วก็การที่เรามีดีที่ครั้งนี้ก็หมอเทียนหมอเป๋มหมอจำลองมีส่วนช่วยแล้วก็คิดว่าจะทําให้เกิดสิ่งดีๆกันคนรุ่นต่อไปได้อีกเยอะนะเพราะว่า mm. เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ประโยชน์อันนี้ช่วยดารงพระพุทธศาสนาในรูปแบบนี้ไปให้ยาวนานเพราะพุทธศาสนาในรูปแบบที่มันเป็นลัทธิประเพณี เป็นสังคมเนี่ยหลังที่เราเห็นน่ะก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากนักเดี๋ยวว่าแต่ประเทศชาติแม้แต่ตัวเราเองก็ยังโกรธยังโมโหยังชุนเชียวยังปฏิฆะยังหงุดหงิดอยู่ทั้งๆที่เราก็นับถือวัฒนารรมมาแต่ก่อนเราเกิดสี่แต่พ่อแต่แม่เรามามันก็ยังไม่มีผลที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักก็ อ, อะไรเพราะมันยังไม่เข้าไปตรงจุดข้องมัน ณบัดนี้ณวันนี้เนี่ยเราเริ่มจับจุดตรงนี้ได้ว่าเรารู้ทั้งรู้นะสติปัฏฐานสีมันช่วยได้แต่เราก็ไม่เคยที่จะลงทุนลงแรงทุ่มเทการปฏิบัติได้ขนานี้แต่เมื่อเรารู้จุดอย่างนี้แล้วเนี่ยเ ร, เราก็สามารถที่จะทุ่มเทลงไปได้ทุ่มเทในหมายความว่าพยายามรละลึกรู้ในทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่จะมาทําให้เราเกิดความรู้สึกสามอย่างจําได้ไหม หนึ่งรู้สึกอะไรพอใจ2อรู้สึกไม่พอใจ3รู้สึกเฉยๆตลอดเวลามันจะต้องมีอยู่3อย่างแค่นั้นที่จะทำให้เกิดความรู้สึกนมันไม่เฉยๆมันก็พอใจมันหน่พอใจมันก็พอใจไม่พอใจเฉยๆอยู่แค่นี้ว่นอยู่แค่นี้แต่เราเคยตามดูมันไม่ว่าวงจร3มอันเนียมันหมุนตลอดเวลา เรียว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ท่าทันเขาเรียกปุ่ล้ลออะไรสังสาร จ, จักรนำไปสู่วัฏสงสารใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปรู้เท่าทันไอ้ปุ่ล้อสามอันนี้เขาเรียกว่าปุงมล้อของอะไรธรรมจักรอ่าธรรมจักรบุญละคือมีสติสัมยาเข้าไปตลอดรู้อาการของจิตแค่สามอย่างนี่แหละเพราะมันเป็นต้นเหตุของ ทำหลายอย่างทั้งกุศลอกุศล<ม>ใช่ไหมมันก็ได้แก่เวทนาที่มาได้กล่าวไปวันก่อนเวทนาสุขเวทนาเป็นต้นเหตนให้เกิดอะไระโลภ ะ, ล, ะลาคะใช่ไหมทุกขเวทนาเป็นต้นเหตุให้เกิดโทสะปฏิฆะพยาปาทะแล้วก็ทุกกรรมสุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดโมหะหรืออวิชชาเห็นไห อาหารของอวิชาก็มาจากเวทนานี่แหละอวิชาเริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มต้นที่เวทานาพอเรามาึูศึกษาเวทนาก็เป็นรู้จักต้นต่อของที่เกิดเกิดทุกเลยทีเดียวดังนนั้นเองก็ให้เอาใจใส่ให้ความสาคัญในการที่จะเรียนรู้ทุกเวลานาทีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาถึงในกล่าวไปวันก่อนว่าพระ สาธุ ท, ท่านบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมเทศนาจากนี้แหละท่านถึงเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเพราะอะไรท่านเห็นความสัมพันธ์นยุยกูท่านจี้เลยนะทุกนาทีเลยที่จะไอ้ transform ไอ้ธรรมสามตัวเนี้ให้เป็นฝ่ายที่เป็นบวกบวกให้ได้ให้ไป็นธรรมจัดให้ได้ก็ธรรมจัประเด่นวนไปเราจึงเอาตราธรรมจัดมาเป็นตราพุทธศาสนาเนี่ย ที่ไอ้วงล้อเนี่ยใครจะไปเอาว่าเป็นตาธรรมจักรปฏิสูบัดปัจยการทัปเยตาก็แล้วแต่มันเริ่มไปทางถามสามอย่างนี้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกคนสุขเ ว, ท น, ท, ขวทนาตัวนี้แหละดังนั้นคือในภาคปฏิบัตินะในภาคทฤษฎีเราอาจจะไมเริ่มต้นปฏิสูบัดหรือปัจยาการก็แล้วแต่ในภาคปฏิบัติมันต้องเริ่มต้นตัวนี้ตัวเวทนานี่ก็เลยเป็นธรรมธรรมโมธรรมสมโมสโมสารนาเป็นที่รวมรวของธรรมทั้งหลาย ทั้งกุศลกุศลสุขคเวทนาเป็นกุศลได้ไหมทุกคเวทนาเป็น อ, อกุศลได้ไหม <Yeah. S 1> ทุกก็รมสุ ข, ขเวทนานี่มันเป็นอภัากะตะ <Yeah. S 1> ทำได้ไหม <Yeah. S 1> ถ้าเรามีสติเข้าไปรู้สุ ข, ขเวทนาเราสมมุติง่ายเออมันสบายใจถูกใจมันดีใจเป็นฝาฝ่ายของกุศลใช่ไหม แต่กุศลในฝักฝ่ายที่เป็นโลกียักุศลหรือโลอุตรากุศลถ้าหากว่าสิ่ น, นั้นขาสติปัญญาความพอใจก็เป็นโลกีฮักุศลแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเข้าไปกําหนดรู้ความสบายใจนั้นเป็นโลอุตตรากุศลเนี่นยเห็นไหมอยู่ที่ว่าเรามีสติปัญญาไหมโทสะเมือนกันถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัติปัญญาเข้าไปรู้โทสะก็เป็น ของอากุศลดยฝ่ายเดียวแต่พอมีสติสตถิปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันอากุศลก็เป็นฝักฝ่ายให้เกิดตัวไ อ, อตัวอกุศลเป็นฝักฝ่ายให้เกิดตัวปัญญาได้นะเปลี่ยนไปได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับ ว, ว่าตัวสติสมธิปัญญานี่เป็นตัวแปลเวทนาทั้ง3มนี่ให้เป็นโลกิญาหรือโลกุตระนะ อันนี้เป็นภาษาทำลายเยนาะเผื่อไม่ได้เผื่อม่ใช่ล้วเขาไปดึงนั่นไงนนมันมันมันเคยใช้ไนหะแต่โยมก็ฟูกาจะฟังออกใช่ไหมเพรคุ้นๆุ้นหูอะสับหลอนนี้ยดันั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านจึงชอบใช้อุปมาที่เป็นตูปธรรมนะอุปธรรมอันหนึ่งที่ท่านพูดถึงข้าวทุกเม็ดถ้ามัน อ้วนมันเต็มมันสมบูรณ์แล้วลงถุนน้ําถุกดินแล้วมันต้องงอกท่นว่านะเบตเตะเข้ารีบือเขา้าผีเห็นว่าหมายความว่าอย่างไรยงเบข้าวอ้วนข้าวเต็มนะท่นว่าข้ามันมีถ้ามันไปถูกดินถูกน้ําถ้าถูกแต่ดินไม่มีน้ํามันจะงอกให้ไหม ถ้าถูกแต่น้ำไม่มีดินมันก็ไม่งอกนะหมายความว่าอย่างไงถ้าเป็นค้อรีบไม่ต้องพูดถึงหมายความว่าตัวสติท่เนี้ยมันเป็นเหมือ น, มนเมล็ดข้าวนะมันมเมล็ดข้าวถ้าไปถูกน้ำคือหมายความว่าสติถ้ามาถูกต้องกับรูป ก, กับน้ําเนี่ยน้ํากับดินเนี่ยรูป ก, กับน้ําคือน้ํากับดินมันก็จะเติบโตวความรู้สึกตัวนี่นะ หมายเพราะในตัวคนเนี่ยมันมีสภาวะมาเมล็ดข้าวอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ไปจัดการไม่ไปจัดการที่จะให้มันอยู่มาในรูปในนามเนี่ยมันก็จะถูกหลงถูกลืมนั้นอาการที่สติถูกหลงถูกลืมถูกบดถูกบังเอาไว้ท่านบอกมันเหมือนเข้ารีบเนี่ยข้ารีบเข้าไม่มีในนั้นเราก็ต้อง เอามาปลูกฝังอยู่ในรูปในนามอยาให้มันอยู่ในความทรงจำสติสมาธิปัญญาในความทรงจำมันก็เหมือนเขาเรีมันไม่เวิร์กแต่ถ้าเอามาอยู่ในการกระทําเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาข้าวเม็ดที่มันสมบูรณ์มาลงในน้ําที่ดินที่ชุม่มดินดำน้ําชุม่มมันก็ต้องงอกทุกคนมีอยู่แล้วทีนี้เราจะทําสติสมาธิปัญญาให้เกิทุกคนก็มีรูปมีนามอยู่แล้วนะแต่สติสมาธิปัญญานี่ทำให้เกิดยังไง อันนี้แหละก็อาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรเนี่ยมันถึงเกิดนะสติสัมปชัญญญาเนี่ยก็อาศัยศรัทธาและความเพียรเป็นที่เกิดใช่ไหมในทอ่ศิห์ห้างเขาึงเรียงเาไว้สติสัมปชัญญาเพราะอาศัยศรัทธาและความเพียรเท่านั้นถึงเริ่มต้นในศรัทธาศรัทธาผู้มีการตั้งใจความเริ่มใสความมั่นใจความเอาใจใส่กระตือรือร้นการขวนขวายพวกเนี้ย สศรัทธาทั้งนั้นเลยเมื่อควนควายกระตือรือร้นนั้นก็ลงมือนะลงไม้ลงมือก็คือลงมือทาจริงๆลงไปที่เราเมื่อทำนี้เราก็ได้แบบแผนในวิธีการวิธีการวัฒนธรรเป็นวิธีการเอาน้ำลงสู่ดินถ้าน้ำลงตกที่ละหยดลยืด่ลยเลยเนี่ยโอ้ปวดใจด้ว ปลูกข้าวได้ทุ่งนามันก็นานนะน้องม่ได้กินง่ายๆเนาะทําไงไม่ใชได้ปลูกเดียวเลยอืทำไงน้ํารือเกียพอแต่เยอะเกินไปหมดน้ำเพื่อประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ไหวเงินนะเอาแค่ว่าเปิดเข้าวมันเต็มท้องนาพอดีนั่นน่ะถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยเอามาว่าเหมือนกันน้ําเปิดน้าน้อยน้อยอ่ะมันไม่เต็มทุ่งนาสักทีนะแต่พอเรายกมายกมือสิบสี่สิบ้าจังหวะเนี่ยโอ้มันเหมือนน้ํา เป็นท่อเลยนะบ่มบ่ ม, บ ม, บมเดี๋ยวก็เต็มเนี่ยมาเปรี่ยน ม, มันอย่างนั้นความรู้สึกตัวทุกความที่ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเหมือนน้ำก็น้ําเข้าทางนาน้ําเข้าท้องนาเนี่ยมันเยอะมันก็ได้ปลูกได้หวานได้ไถได้ไวถ้าตกที่แล้นยอดโอ้โหรอทั้งปีพรมันจะเต็มท้องนาอด ห, หยุดทึ้งก็แห้งไปซะก่อนเนี่ไม่ทันกันถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกเข้าออ ก, ออกเนี่ยมันน้อ ย, อยแต่ว่า ความแผดเผาของกิเลสคือราคาโทรศโมหะมันเข้ามาแผดเผานี่มันแห้งไปซะก่อนเมื่อทันจะเต็มทุ่งนาสักทีนสติไม่ไวทันจะเต็มใจสักทีน่มันถูุยตัวความคิดความปรุงแต่งมันแผดเผาไปสมุดแล้วแต่พอเรามายกมือมากำหนดความรู้สึกตัวชัดเจนเนี่ยมันเยอะแดดออกเผาขนาดไหนมันก็รับได้ใช่ไหมเผาก็เผาก็ไปดีมันเยอะอ่ะเหมือนกันกิเลสเนืหาประธานมาณีมุ่งการปรุงแต่งมันจะเยอะขนาดไหนจะฉันรู้สึกตัวเี่มแข็งเนี่ย มันก็เผาไม่หมดเท่ทีไม่นามมันก็เ็จ๋งแต่ว่าโอ้โหพอทําก็ทําเต็มที่พอเลิกก็เลิกไปเลยอันนี้ก็แห้งเหมือนกันแห้งเปิดน้ำได้เต็มที่แต่อีกพีน้าก็เปิดใช่อีพีเสร็จลแลยถ้าเข้าก็ตายพอดีนะเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดใส่เรื่อยๆต้องเปิดใส่เรื่อยๆมันจริงๆเต็มให้นั้นน่ะหมาว่ามันเวิร์กนะในภาษาของพ่อเทียนเนี่ยเวิรถ้าหากว่า เราทั้งหลายส่วนให ญ, ญ่ก็มีชีวิตจริงในประสบการณ์อย่างนี้แล้วแต่ว่าการที่คําสอนครูพระเจ้าเยอะเนี่ยเพราะอะไรถ้าท่านไปพูดกับชาวนาก็ต้องเอาเรื่องประสบการณ์ของชาวนามาพูดถ้าไปพูดกับพ่อค้านักธุรกิจก็ยังต้องเอาประสบการณ์ของพ่อค้านักธุรกิจไปพูดถึงจะเข้าใจพวกใบกาวอะอย่างไรท่านก็เอาตัวใบกาวนั้นมาเ ป, ป็นอุป ม, มารำใช่ไหม ไปพูดกับพวกเลี้ยงช้างเลี้ยงมาตัวอย่างเอาเลี้ยงมาสักคนก่แล้วกันนะ้อยกหลายตัวอย่างเอาเอาสักตัวอย่างท่านเดินทางไปกับพระทางหลายไปเจอในเกษีชื่อเกษีเลี้ยงม า, าท่านก็นถามเกษีจะมีวิธีการคัดเลือกสันไม้ยังไงได้ข่าวจ เป็นเจ้าของขอกม้าที่มีชื่อเสียงเดียวกันในเมืองเนี่ยจะมีวิธีคัดเลือกพั น, น, มนไม้ยังไงก็พม่ยากท่าจะ้าหากว่าไอ้ม้าตัวไหนที่พอมันได้ยินเสียงบอกเสียงสั่งมันอตอบสนองมันฝึกได้บอกได้อันนี้จะได้ว่าม้าพันธุดีแต่ม้าบางตัวพอพูดแล้วสั่งแล้วหรือตวัดแล้วมันยังไม่ เด็กพอได้ยินเสียงไม่เร็วนี่มันก็ทําตามนะฮะม้าบางตัวสั่งแล้วบอกแล้วได้ยินเสียงไม่เร็วตามคิ้วแล้วมันปยังไม่ไปดิทำลงแท้ปุ๊อ่ามันก็ฝ <c oughs> ุดได้ม้าบางตัวสั่งแล้วบอกเราได้ยินเสียงไม่เร็วแล้วเขลี้นแล้วก็ยังเฉย อ, อยู่ข้าวเจียบอกขาดทิ้งไอ้ม้านี่ผ่านไม่ด <c oughs> ีใช่ไหม้มานี่มันผ่านไม่ดีฝึกยากเพราะนกันนะ ดูก่อนนายเกสีเราตถาคตก็ฝึกษาวกเราเช่นนั้นเหมือนกันโบว์วันตรงนี้เลยนะเอา้าท่านสมณะท่านฆ่าคนท่าจะได้อยนะูอ่วะมนเราฆ่าแบบอริยะฆ่าอริยะฆ่าแบบไหนท่านการที่เราอบรมแล้วสั่งสอนแล้วบอกแล้วทั้งอุบายโดยตรงและโดยอ้อมทั้ง วิธีการต่างๆแล้วบุคคลผู้นั้นหรือพิสูจน์ผูนั้นไม่รับยินรับฟังไม่ตอบสนอเราก็ทิ้งไปไม่บอกไม่สอนอีกเลยลักษณะนี้คือการฆ่าแบบอริย า, าคือไม่สนใจคนนั้นเลยเขาเรียกว่าลงพรมมาทันใช่ไหมอย่างในฉันนาใช่ไหมตอนที่พุทธิ จ, าจ้าจะปรินิพนธ์เนี่ย พระมหาเทระหลายองค์ก็หนักใจว่าในชนะนี่นไม่ยอมฟังพระเทระผู้อื่นด้ยนะเพราะเขถือว่าเขาออกบวชพร้อมกับใคร <c oughs> กับเจ้านายเรากับเจ้าชายจิเทศธาท่านจะไปรู้อะไรผมเนี่ยพาท่านออกบทเองไงใช่ไมอมผมพาท่านออกบวทเองท่นมาทีหลังโอ้ก็เกิดมาณอัตตาใช่ไหมไม่ฟังใครเด็ดทีนี้พระเทระมาเทระทั้งหลายก็เข้าไปกราบคูลถามก่ขอนท่เจ้าเจสุภุริย์ผ่าน ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติต่อภระศาสนาอย่างไรเพราะท่านไม่ฟังใครเท่านก็เลยโอก็เลยออกวิสุทแล้วท่านแล้ Deep uh huh. นั่นรู้กนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงลงพุมมาแทนเจ้าศาสนะอ่าลงพุมมาแทนภาสนะแล้วท่านจะสนึกเองท่านก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะต่อมาก็ไม่มีใครไปปบคาสมาคมใหมู่ดด้วยใหม่ด้วยใม่ชวนไปที่ไหนด้วยปากฏว่า ถูกโดเดียวถูกโดเดียวในที่สุดก็เลยเข้าไปหาพระเทระผู้ใ่ญน้อมขอคำสอนขออน้อมยอมตารแก้ไขได้อันนี้วิธีลงตรงตรงมาทันตรงมาทันวิงีู้เรื่องมันโน้นนะเรื่องมันเริ่มต้นอะเกสีนี่มาลามาตรงนี้ได้ไงต้องต้องั้งสตีให้ทันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแบกกราวหรือภูมิหลังของ แต่ละคนแต่ละคนเนเมื่อนํามารวมกันแล้วมันเลยกายเป็นเรื่องของตําราเยอะขึ้นมาเพราะหลักการแล้วก็คือโพธิปเกียธรรมสาสประการแค่นั้นน่ะใช่ไหมสามประการแต่ทําไมมันกลายมาเป็น8ปดหมพันวัฒนธรรมขานได้เพราะนั่นแหละเพราะเบื้องหลังตัวอย่างอะไรต่างๆของคนที่ท่านไปอบรมไปสั่งสอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องใช้อุปม า, ใ ช, า, ปมาใช้อุปไมยใช้ต่างๆ แล้วก็ในสมัยท่านไม่มีพระตจปิดุกด้วยใช่ไหมท่านสอนอ่ะพอเกิดพระตจพิดุกเราคนก็เริ่มลดน้อยลงน้อยลงที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงมนนะเพราะอะไรเพราะคนจะไปเอาตำราใชแต่ในสมัยนั้นท่านสอนว่าเหตุการณ์อย่างนี้แหละที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนี่แหละคือเอาเหตุการณ์ที่เห็นเห็นนี่แหละเห็นนั้นที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนแต่ละฉากนั่งบนทองมากตั้งตาลพัดอะไรใหญ่โตมันไม่มีนะเดิที่ไหนจากที่ไหนสอนที่ไหน เจอที่ไหนก็จับแขนยันสอนที่นั่นนะครั้งหนึ่งเนี่ยเอามาติดอารมณ์ติดอารมณ์อะไรมาจาไม้ได้ท่านจูงแขนมันเลยท่านออกให้นั่งลงแล้วท่านเอาดินเอามาือไปขีดดินนะ่ะจําได้นะามาือขีดดินในหะ้เขียนอะไรอให้ดูเขียนอะไรอะไรที่นี้อารมณ์ที่มันไปติดอยู่ตรงนั้นกําลังเชรียดอยู่เดงนั้นพอมาสนใจท่านกําลังทำมันนั้นมันก็เลยเลี้วมันนั้นไปเลยเลี้วอารมณ์นั้นไปเลยจะได้สติขึ้นมา เพียงเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นแหละวิธีการของท่านความจริงท่านจะเขียนอะไรเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องเก็บจำใจที่สําคัญท่านทําอะไรสิ่งที่น่าเปลี่ยนความสนใจของเราความสนใจที่เราไปวุ่นอยู่กับความคิดที่อดีตอ น, นาคตนะเขดึงมาตรงนี้ปับ๊บเนยนะบางครั้งท่านลงลงทุนขนาดนี่มาเห็นเห็นความเมตตาของท่านท่านลงทุนขนาดว่าทําคือทดสอบเราอะ่ะคือตามปุตรีเมืก่อนเนนะี่ยมาเป็นคนค่อนข้าง อะไรติดยึดสูงนะไปกินเจช่วงหนึ่งเขาไปสมาทานแบบโพธิลักษ์นะมานะกินเจไม่ใส่รองเท้าไม่โกนเชีเยมีอยู่รัก ห, หนึ่งก็ติดอารมทีนี้พอไปหาหลวงพอ่อเทาปฏิบัติกับหลวงพอ่อมันก็บางอย่างก็ทิ้งได้มันอย่างก็ยังทิ้งไม่ได้วันหนึ่งหลวงพอ่อว่านั่งคุยกันที่นี้วัดสนามนอยู่มันเยอะเนาะตัวใหญ่ๆนั่นแนหะก็มาเกาะหลังเท้าท่าน แค่บรรจุอย่างดีเลยนะเป๊ะโอ้โหตายคามือเลยโอ้โหช็ อ, อตอารมาเลยอะ่ะเออเรารู้ว่าพอ่อกระสุนเขาคลิกในสีใช่ไหมอะไรหลวงเอามาก็ตกตะลึงเหมือนกันนะนะเรารู้นถือว่าลวงพ่อเป็นพระอนิจจเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเอ๊ะทำไมไปฆ่ายุงเฉยๆลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือท่านเมตตาเราขนาะดยอมลงทุนขนาด น, นั้นนะเพื่อที่จะให้เราออกมาจาก ไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นถามว่าคุ้มกันมหมคุ้มคุ้มตรงที่ว่าเราทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นในใจแล้วก็มาถามท่านถามน้ท่านก็มีโอกาสที่จะใส่เราแล้วทีนี้แก้แก้แ ก, แก้แก้เรานั่นคือต้องการให้เราเกิดข้อสงสัยทำไมหลงพ่อค่ า, ายุงมันผิดมันบาปมันผิดสิงข้อนั้นข้อนี้ท่านก็มีโอกาสเทศสิ่งเรื่เร า, เราแล้วทีนี้นะฮะ ศีลจริงเป็นยังไงศีลสังคมเป็นยังไงศีลอาทิคุอาจันทร์เป็นยังไงศีลปรมาทิตยเป็นยัี่ยออกมาเป็นฉากเป็นฉากเลยทีนี้ก็เคลียร์ใจเราได้แค่ท่านค่ายู่ตัวเดียวนะแต่ว่าท่านค่ายมิฉาทิถิเราได้ด้วยคุ้มอ่ะนะดังนั้นเองเราจะเห็นว่าความเมตตากรุณาของคุมาจานทร์บางครั้งเรามองไม่ออกถ้าเราไม่ละเอียดจริงๆนะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเราต้อง แต่ว่าปัจจุบันนี้มันสับสนเพราะว่าไอ้จารีบบางอย่างเราเสียไปเช่นอาจารยยวัตรอุปายายวัตรอาคันตุกวัตรอะไรพวกนี้เราเสียไปเพราะฉะนั้นพระที่สืบทอดจากสายปฏิบัติุวันก็ไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่าบทเข้ามาสวันหวัน7วันหรือบทตามประเพณีแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเข้ามาบทอยากจะมาจะเข้าไปบทเนี่ยต้องไปอยู่วัดเป็นปีนะเป็นก็จึงจะบทให้ท่อง ตำนานเจ็ดตำนานสิสองตำนานถ้าได้หมดเพื่อนั้นไม่บวชแล้วก็พอเป็นเด็กวัดได้ปีแล้วคุณต้องไปสอบสามสัญในศีราให้ได้ถ้าไม่ผ่านสามสัญในศีรษไม่บวชให้อีกต้องเอาไปประกาศิบัตรที่จะบวชเป็นสามเณรเนี่ยมาให้อุปชาที่จะบวชให้เดี๋ยวนี้เป็นไงอเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่ต้องไปท่องทียากแล้วเขาบวชเดี๋ยวอุปชาบอกให้เอ <c oughs> <c oughs> ไ ป, ไปโกรธผมมาไปหาบอใจเอาบาดมาวัดเหล่านี้มันก็เลยเสียไปเสียนั้นความเคาลทรัพย์ซึ่งในครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเพราะนั้นครูบาอาจารย์ไปโอรูสังสอนอะไรมากกว่ได้เกิปดปฏิขางหงุดหติดอารมณ์ไปเลยแล้วคําสอนของผู้ศึกษาเป็นคําสอนที่จรงิงแล้วเอาความจริงไปพูดที่กับคนที่ไม่มีศรัทธามันก็เหมือนเอาไม้ไปตีหัวใช่ไหมเพราะเย็นเย็นต้องมีการอบรมกอมเก่าอะไรต่างต่างกัน เราถึงจะรับสิ่นี้ได้อันนี้คือความเสื่อมของวัฒนธรรมอาจจะริยวัด อ, อุบาทยวัดอะไรกรันอามาจําได้สมัยเป็นเนร เ, เป็นเด็กวัดหนึ่งต้องซักผ้าให้เนนเนนต้องไปซักผ้าให้พระพระเนี่เป็นซักผ้าอาจารย์ตามลำดับนะต้องสักผ้าตามลำดับแต่เดี๋ยวนี้ไม่สักใครซักมันนายครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องเลยนวัดเรานี่มันเสียไปแลนะ ความกตัอยูกตัญมิตรที่ลึกๆลงไก็โดหายไปเรื่อยๆดังนั้นเองก็เราต้องยอมรับว่าความเสื่อมของปัฒนธรรมศีลธรรมเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไปเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมได้ปรัชญาธรรมทางก้าหน้าต่างๆก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าหลักพุทธศาสนาเป็นสิ่งประเสริฐแต่ถ้าเร า, าเข้าไม่ถึงเนี่ยจะประเสริฐเลอเลอขนาดไหนก็ไม่มีความหมาย เหมืนนอนไก่ได้แก้วเนาะหรือลิงได้ไดแก้วหรือไก่ได้ได้พลอยเนี่ยสู่ข้อสารจํางเม็ดนี่ก็ไม่ได้ข้อสารเม็ดมันมีความหมายกว่าพลอยนะอันนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาเหมนกันเป็นเพชรเป็นพลอยทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ดูคุณค่าแล้วก็เราก็ เ, าเอาไปเป็นสินค้าเป็นวิศวิตอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละกลายเป็นข้อสารไปเยอะทำให้เพชรเป็นพลอยกลาเป็นข้อสารไป ไปแปลงให้มันเป็นข้อสารไปเราก็ไม่ว่ากัดไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเป็นอย่างนี้เพดัง น, นั้นเราจึงรีบปฏิบัติเอาตัวใครตัมันเมื่อเราเห็นสัญญาณแหความเสื่อมมาถึงแล้วเนี่ยเราจึงประมาทไม่ได้ว่ารุ่นเรายังได้เห็นขนาดนี้แล้วรุ่นลูก ร, รุ่นหลานต่อไปจะขนาดไห น, นเราจึงเห็นว่าภัยใหญ่อยู่เฉพาะหน้าคือความเสื่อมทางด้านจริยธรรมสังคมเรษฐกิจการเมืองนเะมันเป็นภัยใหญ่ที่หมุนมาใกล้ตัวเรา ถ้าเราไม่รีบปฏิบัติสตีปธานสี่จนเป็นที่พึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องรับชะตากรรมต่อใครเหล่านี้ไอความวิบัติต่างๆก็ต้องไหลมาสู่เราแล้วเราจะไปโทษใครอ่ะโทษนายกโทษประธานาธิบดีโทษกฎหมายโทษเศรษีโทษทั้งโทษทั้งนอกดทั้งนั่นแต่ไม่ได้โทษเราว่าประมาทนะประมาทเพราะต้องรู้เท่าทันสิ่งแบบนี้แล้วจะป้องกันตัวเองได้ เมื่อมารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วจริงไม่ประมาทได้จะได้รีบปฏิบัติแล้วก็ไม่ประมาทที่จะทิ้งาการปฏิบัติยิ่งพิสูน์ิ่งลึกยิ่งพิสูจนิ่งลึกยิ่งพิสูจน์ทาละเอียดลงไปละเอียดลงไปไม่ใช่ว่ารู้แล้วทิ้งเลยนะเนีย่ยมันมีดนายโย่ถ้ามีดอันไหนถ้าหากเราใช้บ่อยๆถ้าไม่รับเป็นไงมันก็ทู่ เว้นแต่ว่าเขาขี้เกียจเราไม่ต้องใช้รับเศษแล้วไปใส่ฝากเหน็บฟ้าไว้เลยอันนี้ไม่ต้องเล่านะว่าทีละสถาลูกหลานลูกศิษย์ข้างหลังก็เอาเอาดาบมันมาบูชาใชะเป็นของประดาบศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะไปถังป่าทังโลกทังพงทำอะไรทํราทนาเอาข้าวมาเลี้ยงคนใช่ไหมเหมือนกันครูอาจารย์ที่จะรู้แล้วเห็นแล้วจะออกมาช่วยกันเผยแพ่สาธยายนํยาญายมปฏิบัตินิดน่อย แล้วก็จะเราเคอยต้องขยันรับมีดตัวนั้นด้วยนะยิ่งใช้มีดหมดไปเพราะเราใช้ก็หมดไปเพราะมันขึ้นสนิมเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันะอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตที่มันผ่านไปนะเพื่อรักษาความสุขของตัวเองก็เพื่อที่จะเอาชีวิตเนี่ยทุ่มทเทเพื่อที่จะให้เกิดนะการประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยมันก็ชีวิตแล้วก็มีประโยชน์คุ้มค่ากว่ากันนะ ดันั้นเองจึงอยากจะให้ญยาญยุมทั้งหลายนี่ยทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเมื่อตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วนี่ยก็มองหาคนไหนที่พอจะช่วยเขาได้ก็รีบช่วยนะเพราะคนที่เขามีคุณสมบัติมีบุญมีกุศลมีบา ร, รมีได้สั้งสมมาก็เยอะแต่ถ้าเขาไม่พบกัลยะาณมิตรเนี่ยสิ่งที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตของเขามันก็ขาดโอกาสที่จะพัฒนา เนะพราะฉะนั้นเราต้องรีบปฏิบัติเพื่อพึ่งตัวเงให้ได้ก่อนเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ทําตือนพิธีพึ่งของคนที่เขามีคุณสมบัติที่จะให้เขาเพึ่งไดนะ้อันนี้คือเราต้องรีบไม่ได้ <c oughs> สําหรับคนที่อายุมากสุขภาพไม่ดีไม่ต้องน้อยอกน้อยใจมีทางออก <c oughs> <c oughs> มีทางออกถ้าทําตามสูตรอย่างดีมาว่านะขยัน ท, นทําดีทอกขยันจินอาหารพอสารพิขยันดอกตกำลังกายขายันในการ ทำสมาธิเป็นหนุ่มขึ้นมาแน่เลยเงั้นเปหนุ่มขึ้นมาแน่เลยเพราะอะไรเพราะมันมีทางออกเยอะแยะเราจะออกมไม่ออกทางไหน เ, เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการรักษาสุขภาพกายสุขภเยอะแยะไปหมดนะถ้าเราจะเอามาใชู้กเลยว่าเอามาเราไปจา่าย ท, ที่ที่ไหนก็จะผนบทัสองอย่างด้วยกันรักษากายกายเนี่ยเขาเป็นเสมือนภาชนะเหมือนรถถ้า <c oughs> หากว่ารถเรามันผุ่มันพังมันไม่สะดวก มันจะไปถึงเป้าหมายไปทางไหมเนีย่ยครับไม่ถึงบางทีไปเสียกลางทางเสียดายเหลืออีกห้ากิโลนะมันน่าจะถึงยังไม่ถึงนะงนะนะเพราะอะไรเพราะปฏิบัติธรรมไปสุขภาพมันพังซะก่อนจิตยังไม่หมดอสวะเลยน ะ, ะถ้าหาว่าสุขภาพดีวันนี้น่าจะหมดอสวกก็ต้องไปเกิดต้องไปสวยทุกอีกแต่ถ้าหากว่าสุขภาพเราดีเหมือนเราได้ลดยี่ห้อดีแล้วเราก็เป็นคนขับเก่งด้วยนะมันก็ไปถึงเป้าหมาย ลดไปถึงเป้าหมายมันพังมันก็มีประโยชน์น้อยนะ่งลดไปถึงเป้าหมายแล้วลถสภาพยังดีอยู่พี่กลับมารับคนไปอีกอ่าอีกร้อยเที่ยวพันเที่ยวดิแต่บางคนไปถึงเป้าหมายแล้วจบกันนี่ก็โเสียดายเหมืน <c oughs> อนกันก็ยังดีดีกว่าไปเสียดลางทางแล้วไปไม่ได้ทั้งคนทั้งรถอีก <c oughs> อเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้แกับการดูแลจิตใจนะแล้วมันก็เป็นผลพลยได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่จะเลยสติสมัมปัญญาให้เข้าใจซะก่อนนะมันก็จะไม่เห็นความสําคัญของของกายอ่าแต่พอเราเข้าใจความจริงของชีวิตโอ้กายเนี่ยมันรับใช้เรามาตลอดแต่เราเอาไปรับใช้กี่เด็กใช่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เวลาเราสวาดธรรมวัดข้าพเจ้าเป็นทาสของพระุูดว่าทำเพระอสูงนะแต่มันได้บอกว่าเป็นทาตของความร่วงขมวดขมลงนะอืะ นั่นนะมันตรงนั้นดังนั้นพอเรามานจะเลยสติมากเข้ามาเข้าเห็นอ๋อเราตกเป็ทาสของความปกกลุ้น ล, ลมานานเราถึงรับวิบากกรรมแบบนี้เราถึงเจ็บถึงป่วยแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่รับใช้แกนะหลกงปูหลงฉันรับใช้แต่มานานแล้วนะตัดยาขามีเลยใช่ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นทาสของสติสมาธิปัญญา สติก็คือไข่สติก็คือพระสงฆ์สมาธิก็คือว่าทําปัญญาก็คอพระพุทธิชาพระพุทธธรรมผสมคือสติสมาธิปัญญานั่นเองนะนั้นโดยนัยยะดังนั้นเราทําอะไรอย่างมีสติเราได้รับใช้พุทิชาแล้วทําอะไรอย่างมีสมาธิได้รับใช้พระธรรมแล้วทําอะไรอย่างมีปัญญาดับใช้พระสงฆ์รับใช้พุทธีชาแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยนะ แล้วพระพุทธภาลมาส่งภายนอกโอ้ไปรับใช้จนตายยูท่ทีเราก็ได้ตกนรกกับท่านเองนะ <c oughs> ไปเห็นพระอะไรทำผิดพลาะไราคิดอยู่ว่าทำไมท่านทำอย่างน้ตกโลกอีกแต่ถ้าเป็นสติสมัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี้เราก็จะไปถึงนิพพานได้ไมันยากนักนะทีนี้จะทำอย่างไร ก็นต้วอย่างนี้แหละพิสูจน์ตัวเองเสี ก, ก่อนพิสูจน์ศรัทธาก่อนว่าัยกมือเนี่โอ้ไม่หล่จะจบทีนีวนั้นท่านจะกลับบ้านเหลืเกินว่าคนกลับไปมาสองรอบแล้วยังไม่จบอีกนะกับมาใหม่นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะศรัทธาตั้งตั้งมั่นทีเดียวนะเอามาเคยพิสูจน์ตัวเองอนั่งท่านนันไปเก็บอนม์อยู่ที่อ่า ทำแสงเทียนเป็บ้านลวงใหญ่หพิเศยภูมิไปนั่งปฏิบัติอยู่เดี๋ยวเราขาดการ ท, ทุกครึ่งเดือนนะกับเก็บอารมณนธรรเมื่อสอสามวันนะ่ะผุดลุกผุดนัง่งผุดลุกผุดนัง่งผุดลุกผุดนั่้มันเป็นยังไงใจมันไม่อยู่ที่นี่มีอยู่วันที่พอเข้าวันที่สีโอ้จะเอาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องนั่งมดูว่าถ้าสมมุติว่า ถ้านั่งยังปวดอยู่ย่างยังไม่ลุกเมื่อไหรมันหายปวดมันเลิกปวดเมื่อไรถึงจะลุกนะพอฉันเสร็จประมาณสิบโมงนั่งตั้งแต่สิบโมงดูมนไปเรื่อยๆนะดูไงเจ็บยังไงมันปวด ย, ยังไงมันงูยังแก้ไขแต่ว่าเราไม่ไม่ยอมเปลี่ยนไปท่าอื่นนะเอาถ้านั่งท่าเดียวแน่ะแต่ว่าเปลี่ยนไปหลายท่าในอินดิบดีเอาจะเปลี่ยนหลายท่าแต่การที่จะเปลี่ยนลําดับเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนไปท่าไหนเนี่ย ศึกษาไปตลอดแปบเดียวมาดูในไกลทีตอนเลิกแล้วห้ามางเย็นโอ้โหมันได้อารมณ์เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงถึงว่าวันเวลาคำนึงถึงว่าขณะ น, นี้อะไรเกิดขึ้นกับเราก็แก้ไขมันไปแก้ไขไปแก้ไขไปได้เห็นรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติเอามาถึงชอบเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเพราะมันได้ทำอย่างนี้บอ่อย ดังนั้นการที่ให้เก็บอารมณ์เพื่อเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่เป็นนึกไปคิดหาสิ่งใหม่สิ่งที่มันเกิดอยู่เนี่ยราตามมันทันไหแค่สิ่งที่เกิดได้ราตามทุกเ ม, ม็ดหรือไม่ทันอยูแล้วใช่ไหมเราจะเป็นนึกหานิษฐานเดทานบริหารหาสมาธิอะไรละเอียดอลังการไม่ท้อเสียเวลานะถ้าจะจับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยทางกายตั้งแต่หัวจมเท้าอะไรกำลังเกิดขึ้น จิตของเราเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายอาการงจิตเป็นยังไงแล้วนิวรต่างๆแต่ละตัวนมาเรียนหน้าเข้ามาเนี่ยจะเผชิญกับมันอย่างไเดี๋ยวง่วงมาเดี๋ยวขี้เกียจมาเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวเซ็นมาเดี๋ยวฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวสงสัยมาเนี่ยจะตั้งรับมันอย่างไรนี่โอ้สนุกอ่าสนุกสนุกเพราะฉะนั้น พูกนี้ยังมีเวลาอีกวันนะถ้าใครพลาดวันนี้นะพวนี้ยังมีเวลาอีกวันนะเดี๋ยวพิสูจน์เต็มๆเลยนะพวกนี้น ะ, อะลองลองดูโอ้มันไม่จะจบกเจทีนะมีไหมว่าขอต่ออีกสักสามวันหลวงพ่อยนะขอต่ออีกสักสามวันถ้าใครจะต่อนี่นะโน่นเมื่อวานคุณผู้จัมานโทรมาจากวัดไทยนี่หลวงพ่อวันีจะรู้ว่าจะอ่า มาจะกลับวันที่28ในกาบมงไทยเนาะไปดูพี่น้องมึงไทยน้ําท่วมกันหมดแล้ไม่ไหวเนาะก็ถึงรีบไปดูก็เลยว่าจะกลับวันที่28 <S <S เออเออพราะท่านนั้นมาหนพอมาก่อนทั้งสีหวันดิแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่เออยนี่แต่หนูจะจัดอีกที่ที่ที่วัดไทยอ๋อจะ ด, ด้งานีไงวัดไทยมีคนปฏิบัติหลายคนนัออ้นว่าเอาเขาจัดกค่ยังไงโอ้ที่เคยจัดก็คือนักปฏิบัติมาปฏิบัติเขามีอาคารปฏิบัติที่หนึ่ง อาหารการกินก็ไปเป็นซื้อกินข้างนอกแล้วแล้วก็ไปนอนบ้านอล้ตอนมาปฏิบัติกลางวันเช้าไปเย็นกลับโอ้มันจะได้เรื่องลูกอุ้นมาขนาดทําอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยเอาเลี้ยงอย่างดีนอนอย่างนีก็ยังไม่เอานี่ไปกินนอกวัดไปนอนบ้านก็เรียบร้อยนั้นแหละนะเอามาก็อยากจะจัดนลวง่อเออเดี๋ยวเลิกปีมาจะไปแวะดูนะฮะวันที่แปดที่เก้าสีนี้มาจะไปแวะดูว่าจะทําได้ไหม ต้องไปดูก่อนว่าจะให้นอนที่วัดมีที่นอนไหมจะให้ทานอาหารที่วัดเนี่ยสมภพโพธิ่ทรมนี่พอจะหนุนไหวไหมก็เลไปถามกันนะฮะเพื่ออะไรก็ไปถามขาทางนู้นดูก่อน <Okay. S 1> คือทําแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเหมือนไม่มได้อลแมันไม่อยากจะเสียเวลาไงเพราะเวลาเรามีค่ามากถ้าทําแล้วมันจะต้องอย่างน้อยคนก็จะต้องได้อดุ้มลุกนําสักคนสองคนหรืออย่างดีนะที่ทำไปแล้วผ่านไปแล้วอันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อ้วมาไม่เอาเหนื่อยนะ ต้องต้องไปแกะไหนใหดูก่อนนะอย่างน้อยต้องได้คนได้โดนตายเห็นธรรมในงานนี้ก็มีนะมีคนได้โดนตายเห็นธรมแล้วแต่เป็นใครบ้างยังไม่บอกนะเดี๋ยวเวลาพูนี้รายงานคนนะ่ะรู้เรื่องกันเองนะพวกนี้นะนะก็อันนี้กันคุยกันเบาๆในเรื่องของการเจริญสติแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่สนุกทมาถึงบอกว่าอ๋อกลายเป็นชิปไปแล้วดังนั้นเมื่อก่อน ที่มายังไม่ชิ้มแขงเนี่ยเอามาจะพยายเก็บรายละเอียดเยอะเลยการลุกการนั่งการย่างการเดินอันไหนที่ทาไปแล้วไม่รู้สึกตัวมานต้องกลับมาทาใหม่อีกด่าฉันดานตัวเองนะทำไมมันลืมเมื่อกี้จะไปเอาแฟบที่นั่นโดยชักชๆไปกลับมาเอาแลวแฟบมาถึงที่ได้ไงเนี่ยอมนาได้งไงไหนแกลองกลับไปใหม่ดูสินะใครถือแฟบกลับไปที่เดิมไปตั้งแล้วแกมาอย่างไงเมื่อกี้มาอย่างนี้อย่างี้ แล้วก็จับบอกอ๋อเอออย่างเงี้ยพอใจไม่ขี้เกียไปได้ยังไงมาแฟบมาทั้นี้ไม่รู้ตัวนะเอามานึกถึงบทนอนอันหนึ่งที่บุรีรัจฉ์ท่านสอนเสือนอนแบบสีหาเสา ย, า ย, าย่าเคยอดีินใช่ไหมนอนแบบไหนสีหาเสา ย, า ย, าย่านอนที่ว่าแต่แขงขวาใช่ไหมเอาสีสะหนุนศอกแล้วก็เท้าเรียมเท้านอนแต่แขงขวา ที่เป็นอิยาบทที่พระมหาโมคคละท่านบรรลุธรรมให้นอนแบบสีหาสย่าทําไมท่านใช้คําว่าสีหาสย่าเพราะราชสีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นพยาศท่านว่านะเป็นพยาศนั้นเวลาก่อนที่มันจะหลับไปเนี่ยมันจะต้องดูก่อนว่าขามันวางยังไงหางมันวางยังไงมันนอนในท่าไหนมันจะดูก่อนถ้าถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยหัวไปทางหางไปทางแข้งไปทางมันจะไม่หยอก มันจะบังคับตัวให้นอนต่ออีกจนกว่าตื่นขึ้นมาเจอตัวเองอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างมันจะดีใจมากแล้วมาเขาเริ่มมีคมําคำหนึ่งว่าสีหานาศบลูสีหานาศคือดีนเขานี่ไหมสีสักสีสิงคําำรามสีหานาศพอศีคําำรามแล้วมันเดมันตื่นขึ้นมามันพบตัวเองปกติมันดีใจมันคํารามลั่นป่าเลย เสแล้วสเล็กใสน่นอยอยู่ใกล้ๆมันก็ตายเพราะแก้วหูมันแตกล้งงั้นไอ้สิงก็ไม่ต้องไปหากินไกลก็ไปเก็บสัตว์ที่มันตายเพราะตัวเองคำามนั่นแหละเสียงราชสีคลามแรงขนาดไหนฮั่นบอกว่าอันนั้นคืออาการของพระอริยเจ้าคือทบทวนการกินการอยู่การนอนการไปการมามีการเขาเรียกว่าบุช็คภาษาของมันนะตรวจสอบในการกระทำบุญด้วยทุกครั้งซึ่งทุกคนทําได้ แต่ทําไมจึงไม่ทํามันยากหรือมันรับหรอมันซึ่มันรับซับซ้อนด้ว อ, อยังไงยากไหมอธิบ้าน ท, ที่มาว่าเนี่ยายากไหมไม่ยากไปยทำไมไม่คนไม่ค่อยค่อยทํากันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะใช่ไหมหมอเทียนเรื่องที่ว่ามาว่าเราลืมอะไรทํรามาแล้วลืมตัวเราทําใหม่เนี่ยยากันะ โอ้ยยากมันไม่ยากนะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเกมคิดว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองนะมันมันไม่ยากแต่ที่เรายากก็เป็นเรื่องราสาละแล้วผ่านแล้วก็ผ่านไปธรรมดาใช่ไหมเราจิตคิดแค่นี้เนี่ยอย่าไปอะไรสาระกับเรื่องเหล่านี้เรื่องเด็กๆอ้าวนี่คือเรื่องของพระอริยเจ้านีแบบนี้นะ เ, เรื่องเล็กๆนี่นะดังนั้นเามาว่าเรามองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป มองข้างไปพู้ดเจ้าที่ได้กล่าวมาวันก่อนพู้ดเจ้าท่านตรัสรูเรื่องนี้แล้วท่านจึงกล่าวว่าโอ้ไม่อยากจะสอนใครเรื่องธรรมดาใครยัไม่อยากรูก้ใช่ไห ม, มคนก็อยากรู้เรื่องนึกเรื่องซึ้งเรื่องตัดญาเรื่องนิดเด็กปฏิหารอะไร ม, มโหมาหนะ่าเนื้อแต่เรื่องธรรมดานี่ใครยไม่อยากรูก้โอ้ไม่ทํางไปสอนไม่ยากมันไม่มีใครอยากเอาหรอืมแต่เพื่อนของท่านรู้ใจอย่างนี้สามบดิพงศ์โอ้สมณโคตรธมคิดอย่างนี้ คนที่มีวิสนะบารมีจะรู้เรื่องนี้ได้เขามีอยู่นะถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก ร, รีบไปพบท่านเออท่านคิดอย่างนี้นไม่ถูกนะบางคนมันอาจจะฟังก็ได้นะเรื่องนี้นะถึงได้แต่สิ่ใจแต่คนจริงลนนะักษณะน่าอาจจะเป็นเอ่อ uh, personalization คือเป็นบุคลาภิฐานก็ได้นะท่านอาจจะเกิดขึ้นมาเองก็ได้นี่เรื่องตำรางั้นเองก็โอมันจะหมดเวลาแลนะ้วเนาะพรุ่งนี้เราต้องตนเช้าเนาะ เอาปุณีอีกเต็มวันนี้ก็ก็ทำเหมือนวันนี้แต่ว่าอ า, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นิดหน่อยแทนที่เราช้มานั่งตรงนี้นะล้วอาจจะไปนั่งข้างนอกดูบ้าง